ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระหัตถสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวนยะสังหะกัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการ จ, จนาพระมหาอาคมธรรมาขะโมงแปลเรื่องที่ยี่สิบสองปรับพัชชาวินิชยกถากถาว่าด้วยเรื่องของการบวชต่อ อันหนึ่งอุปสมบทเท่านั้นอันตราผู้มีพระพาเจ้าทรงห้ามสำหรับบุคคลผู้มีอายุย่อนกว่ายี่สิบปีบรรพชาหาทรงห้ามไม่ก็แสดงันนะว่าเรื่องของการบวชก็คืออุปสมบทนี่หมายถึงบวชกะภิตรบุคคลผู้มีปีย่อนยี่สิบคือไม่ถึงยี่สิบปีห้ามบวชแต่ว่าบรรพชานี่ไม่ทรงห้ามเพราะฉะนั้นศัพท์ บ, บรรพชานี้หมายถึงการบวชสามเณร เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ตั้งแต่ถือปฏิสนธิภิกษุเพิ่งให้อุปสมบทจึงอยู่แม้ยี่สิบปีในคันก็ยังถึงการนับว่ามีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์เหมือนกันเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายจิตดวงแรกเกิดขึ้นแล้วในคันของมารดาคือวิญญาณดวงแรกปรากฏแล้ว ชื่อว่าความเกิดของสัตว์มีเพราะอาศัยจิตนั้นดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทกุลบุตรมีอายุยี่สิบปีทั้งอยู่ในคันนับอายุยี่สิบปีตั้งแต่อยู่ในคันก็คือปฏิสนธิครั้งแรกเลยซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงฉลาดจะรู้ตัวว่าวันไหนมีเด็กมาปฏิสนธิแต่ว่าวปกติแล้วก็ไม่เคยรู้กันนะ ในคําว่าอนุชานามิพิทเวคัพระวีสังอุปสัมปาเดตุงนั้นบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ผู้ใดอยู่ในท้องของมารดาถึงสิบสองเดือนคืออยู่ครบปีหนึ่งเลยเกิดคลอดในวันมหาปวรณาตั้งแต่วันมหาปวรนานั้นไปจนถึงวันมหาปวารณาในปีที่สิบเก้าพึงให้ผู้นั้นอุปสมบทในวันปาฏิบท วันแรมหนึ่งคำ่ำเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในท้องครบปีหนึ่งก็คลอดออกมาแล้วก็นับไปถึงสิบเก้าปีก็สามารถบวชได้ละท่านเลยวันมหาปรนานั้นไปพึงทราบการลดลงและเพิ่มขึ้นโดยอุบายนั่นแต่พวกพระเถระครั้งก่อนให้สามเณรอายุสิบเก้าปีอุปสมบทในวันปาฏิบทคือวันแรมหนึ่งคำ่ำเลยวันเพ็ญเดือนเก้าไปถามว่า การอุปสมบทนั้นมีได้เพราะเหตุใดข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยในปีหนึ่งมีจัตุตสีอุโบสถคืออุโบสถวันที่14 14ค่มเนี่ย6วันเพราะฉะนั้นใน20ปีจะมีเดือนขาดไป4เดือนพระราชาจะเลื่อนการฝนออกไปทุกๆ3ปีก็คือเพิ่มอธิกมาต6เดือน นำสี่เดือนที่ขาดไปด้วยอำนาจอุโบสถออกไปจากหกเดือนที่เพิ่มเข้ามาในสิบแปปีนั้นยังคงเหลือสองเดือนเอาสองเดือนนั้นมาเพิ่มเข้าจึงเป็นยี่สิบปีบริบูรณ์ด้วยประการอย่างนี้พระเทระทั้งหลายจึงหมดความสงสัยอุปสมบทให้สามเณรอายุสิบเก้าปีนับแต่คลอดออกมานะในวันปาฏิบทเลยวันเพ็ญเดือนเก้าไป เพราะฉะนั้นของเราปัจจุบันนี้ก็นับเดือนตามสุรยิยคติตามสุริยคติก็คือตามทางโลกแต่ว่าทางของพระนี่เขานับทางจันทรคติจะมีเดือนเต็มเดือนขาดเพราะฉะนั้นเมื่อ น, นับไปนับมาเนี่ยอายุสิบเก้าปีแต่คลอดแล้วนี่นะรวมกันถ้านับทางสุริยคติสิบเก้าปีแต่ถ้านับทางจันทรคตินี่มันได้ยี่สิบปีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะบวชได้แม้ว่า สำเนนั้นตั้งแต่คลอดออกมามีอายุสิบเก้าปีบริบูรณ์อยู่ในท้องสิบเดือนเพราะฉะนั้นก็สามารถมีบวชได้ก้อนในคําว่าสำเนนมีอายุสิบเก้าปีเป็นต้นนี้ท่านกล่าวคําว่ามีอายุสิบเก้าปีหมายเอาสำเนนผู้ซึ่งปรวรณาแล้วจกมีอายุครบยี่สิบปีเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในท้องมารดาถึงสิบสองเดือนจะเป็นผู้มีอายุครบยี่สิบเอ็ดปี ผู้ซึ่งอยู่ในท้องมารดาเจ็ดเดือนจะเป็นผู้มีอายุยี่สิบปีกับเจ็ดเดือนแต่ผู้อยู่ในท้องมารดาหกเดือนคลอดจะไม่รอดปกตินะถ้าหกเดือนนี้คลอดก็จะไม่รอดเจ็ดเดือนนี้ยังพอจะรอดไม่เป็นอาบัติแก่อุปชาผู้ที่ให้กุะบุตรอายุหย่อนยี่สิบปีอุปสมบทด้วยความสําคัญว่ามีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์แม้โดยแท้คือสําคัญผิดถ้าสําคัญผิดว่าอายุ สิบเก้าปีเข้าใจว่าเป็นยี่สิบปีแล้วนับในท้องด้วยนะไม่เป็นอบัตถึงอย่างนั้นบุคคลก็ไม่เป็นอันอุปสมบทเลยเพราะว่าเป็นวัตถุวิบัตตอนเองอายุไม่ถึงยี่สิบปีบวชก็บวชไม่ขึ้นก็ไม่เป็นพระพิษุถ้าไปบวชแต่ถ้าบุคคลนั้นให้ผู้อื่นอุปสมบทโดยล่วงไปสิทธิปรรษาคือเมื่อบวชเข้าไปแล้วตนเองก็ไม่เป็นพระพิสุหรอกแต่ว่าไม่รู้ แล้วก็พรรษาเสร็จขึ้นไปสามารถที่จะอุสมบทเป็นอุปชาบวชให้ถึงตุอื่นได้หากว่าเว้นบุคคล น, นั้นเสียคณะครบหมาถึงว่ามีทิกตุอื่นครบคณะคือในมัชชิมชนบทก็มีพระพิสุเสร็จรูปขึ้นไปเว้นอุปชาองค์นี้ที่ไม่เป็นพระพิสุบุคคลผู้นั้นเป็นอันอุปสมบทดีแล้วหมายถึงว่าถ้าไปบวชให้กับกุลบุตรคนอื่นโดยที่อุปชา บวชตั้งแต่29สิบเก้าปีไม่ครบยี่สิบก็ไม่เป็นพระแต่ว่ามีพระพิตุที่มานั่งปลอกหรือว่ามานั่งให้ครบคณะสิบรูปขึ้นไปในมัชิมะชนบทปัจจันทรชนบทก็ห้ารูปขึ้นไปทั้งพระวินัยทรก็สามารถที่จะทำให้คล บ, บทที่มาบวชน่นะเป็นพระพิตรุได้คืออุปสมบทก็ดีแล้วแหละและแม้บุคคลผู้ไม่ใช่อุปสมบัตินั้นยังไม่รู้เพียงใดก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อสวรรค์ ไม่เป็นอันตรายต่อพระนิพพานของเขาเพียงนั้นแต่ครั้นรู้แล้วพึงอุปสมบทใหม่เพราะฉะนั้นถ้ามีอายุไม่ครบยี่สิบปีนับในท้องด้วยไปบวชก็ไม่เป็นพระภิกษุไม่เป็นอุปสัมบันแต่ว่าถ้าปรรษาเกินสิบขึ้นไปคือไม่รู้แหละแต่ ว, ว่านับพรรษาเรื่อยๆเกินสิบขึ้นไปไปบวชให้แก่คนอื่นพระภิกษุที่มานั่งทบคณะบวชให้ คนอื่นก็เป็นอันเป็นพระภิกษุแต่ตนเองก็ไม่เป็นพระแต่วัตราปใดที่ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นเครื่องกั้นต่อสวรรค์ลและนิพพานถ้ารู้เมื่อไหร่จึงค่อยไปบวชใหม่นะถ้ารู้แล้วก็เป็นเครื่องกั้นของ น, นักรคนิพพานแล้วก็ยังขืนนับปัญหาโกงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีโทษด้วยแม้กุลบุตรที่เว้นจากบรรพชาโทษเหล่านี้ด้วยประการดังว่ามานี้บุตรที่มารดาบิดายังไม่อนุญาต ก็ไม่ปึงให้บวชเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนที่ตุทั้งหลายบทุที่มารดาบิดายัางไม่อนุญาตไม่ปึงให้บวชบรรดาบทเหล่านั้นว่ามาตาปิดตูหิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาชนันีและชนกก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละถ้ามีทั้งสองต้องลาทั้งสองถ้าบิดาหรือมารดาตายไยแล้วผู้ใด ย, ยังเป็นอยู่ต้องลาผู้นั้น มานดาปิดาแม้บวชแล้วก็ควรลาแท้ถึงแม้มาบวชเป็นพิษุพิษณีก็ต้องลาพิษุเมื่อจะบอกลาตนพึงไปบอกลาเองก็ได้ส่งคนอื่นไปแทนก็ได้ส่งกุลบุตรนั่นแหละไปว่าท่านจงไปลามารดาปิดาแล้วจงมาดังนี้ก็ได้ถ้ากุลบุตรนั้นบอกว่าผมเป็นผู้อันมารดาปิดาอนุญาตแล้วเมื่อเชื่อพึงให้บวช บิดาบวชเองแล้วเป็นผู้ใครจะให้บุตรบวดบ้างจงบอกเล่ามารดาแล้วจึงให้บวชพ่อขมากรบโรคพ่อบวชแล้วจะให้ลูกบวชก็ให้เวลามารดาหรือว่ามารดาใคร่จะให้ทิดาบวชจงบอกเล่าบิดาก่อนแล้วจึงให้บวชบิดาไม่มีความใจดีด้วยบุตรภริยาหนี่ไปเสียมารดามอบบุตรแก่พิพุททั้งหลายว่าขอท่านทั้งหลายให้บุรุษนี้บวชเถิด เมื่อพิสูจน์กล่าวว่าบิดาของเขาไปไหนมารดาบอกว่าหนีไปเพื่อเล่นในจิตตะเกรีก็คือไปตามใจของเขาแล้วเล่นตามใจตัวเองไปเสร็จแล้วสมควรให้บุตรนั้นบวชได้มารดาหนีไปกับชายบางคนเสียฝ่ายบิดามอบให้ว่าขอท่านทั้งหลายจงให้บวชเถิดแม้ในบุตรนี้ก็ไหนนั้นก็คือสามารถบวชได้เลยไม่ต้องไปลามารดาแล้ว ในอันตกถาชื่อกุรุนทีแก้ว่าบิดาอย่าร้างไปแล้วมารดาอนุญาตว่าท่านจงบวชลูกของดิฉันเถิดเมื่อพิสูกล่าวว่าบิดาของเขาไปไหนเขากล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยบิดาแก่พวกท่านทั้งหลายดิฉันจะรู้เองดังนี้ก็ควรให้บวชได้เหมือนกันมารดาบิดาตายทารกเจริญในสำนักญาติทั้งหลายมีน้าหญิงเป็นต้น ครั้นเมื่อทารกนั้นอันพิจุให้บวชญาตเทั้งหลายอาศัยทารกนั้นแล้วจะ ก, ก่อการทะเลาะหรือพากันติเตียนเพราะเหตุนั้นเพื่อตัดการวิวาสเสียพิสุพึงบอกเล่าเสียก่อนจึงให้บวชแต่เมื่อไม่บอกเล่าก่อนให้บวชก็ไม่มีอันบัดบวดก็เป็นอันบวช ด, ด้วยถึงแม้ไม่บอกเล่าพ่อแม่หนีมาบวชและพิสุให้บวชแต่ว่าถ้าพระพิุนี่ไม่รู้ เข้าใจว่าพ่อแม่ให้บวชแล้วก็ไม่เป็นอบัติแล้วพระภิกษุนั้นถึงพ่อแม่แมไม่อนุญาตให้บวชจะมาบวชแล้วก็เป็นพระภิกษุแต่ถ้าเกิดอุปชาอาจารย์รู้เมื่อไหร่ว่าพ่อแม่ยังไม่ให้บวชแล้วก็ยังเืินให้บวชอันนั้นถึงจะมีอาบัติชนผู้รับมาเลี้ยงในเวลาที่ยังเป็นเด็กก็จัดเป็นมานดาบิดาได้แม้ในมานดาบิดาชนิดนั้นก็มีในนี้เหมือนกันก็คือต้องบอกลาชิกอน บุตรอาศัยตนคือภิกษุเป็นอยู่ไม่ได้อาศัยมารดาบิดาถ้าแม้บุตรนั้นเป็นพระราชาภิกษุก็ต้องบอกเล่ามารดาบิดาก่อนจึงให้บวชบวชที่มารดาบิดาอนุญาตบวชแล้วกลับศึกถ้าแม้เขาบวชแล้วศึกตั้งเจ็ดครั้งภิกษุควรถามแล้วถามอีกในเวลาที่เขามาแล้วมาแล้วจึงให้บวชคือต้องไปบอกลาพ่อแม่ทุกครั้งเลยจะบวชศึกกี่ครั้งก็แล้วแต่ ถ้ามัรดาบิดากล่าวอย่างนี้ว่าลูกคนนี้ศึกแล้วมาเรือนไม่ทําการงานของเราเขาบวชแล้วจะไม่ยังวัดของท่านทั้งหลายให้เต็มกิจที่จะต้องบอกลาสําหรับลูกคนนี้ไม่มีคือบอกว่าถ้าจะมาบวชเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปบอกลาแล้วนะท่านทั้งหลายพึงยังเขาซึ่งมาแล้วให้บวชเธอดังนี้แม้จะไม่ลาอีกอย่างคนบวชที่มัรดาบิดาทอดทิ้งแล้วอย่างนี้ให้บวชก็ควร พ่อแม่ก็ทอดทิ้งแล้วแต่ว่าวัดนี้ก็ยังรับเพราะฉะนั้นเป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์แม้กระทั่งสัตว์เรัชฉานต่งตางๆก็ไม่เอาแล้วก็กล้ามาปล่อยวัดแต่ว่าพระวิตรุก็ยังรับเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายจริงๆนะวัดวานี้แม้บุตรใดอันมาดาบิดามอบให้ในเวลาที่ยังเด็กทีเดียวอย่างนี้ว่าเด็กนี้ข้าพเจ้าถวายท่านท่านเึงให้บวชในเวลาที่ท่านปรารถนาเถิดดังนี้ แม่บุตรนั้นมาแล้วมาแล้วทิกสุไม่ต้องบอกเล่าอีกทีเดียวพึงให้บวชส่วนบุตรใดมารดาบิดาอนุญาตในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่ทีเดียวว่าท่านเจ้าข้าท่านพึงยังเด็กนี้ให้บวชเถิดภายหลังในเวลาที่เด็กถึงความเจริญกลับไม่อนุญาตบุตรนี้นั้นทิสุยังไม่ได้บอกเล่ามารดาบิดาไม่พึงให้บวชตอนเด็ ก, กอนุญาตนะแต่ตอนโตขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้อนุญาตเพราะฉะนั้นใครจะบวช คือแจกมาขอบวชแล้วก็ต้องให้ไปบอกกล่าบวบุตรคนเดียวทะเลาะกับมารดาบิดามากล่าวว่าขอท่านจงให้ข้าเจ้าบวชเถิดและเขาอันทิจุกล่าวว่าท่านจงบอกกลาแล้วจงมาจึงกล่าวว่าข้าเจ้าไม่ไปถ้าท่านไม่ให้ข้าเจ้าบวชข้าเจ้าจะเผาวิหารเสียอ่าก็เป็นผู้ที่จิตใจนึคให้ดีเลยนะหรือจับประหารพวกท่านด้วยสาตรา หรือจะก่อความคิดย์หายด้วยผลานสวนเป็นต้นของญาติหรือของอุปทานทั้งหลายของพวกท่านหรือว่าคําเจ้าจะกระโดดต้นไม้ตายหรือจะเข้าไปยังถ้ำกลางโจรหรือจะไปประเทศอื่นดังนี้สมควรให้เขาบวชเพื่อต้องการรักษาชีวิตไว้เท่านั้นอันนี้ก็บวชเพื่ออนุเคราะห์ก็ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้บวชนี่เขาอาจจะทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบอาจจะฆ่าพระลิศุกเองด้วย และถ้ามานาบิดาของเขามาพูดว่าเหตุไรจึงให้บุตรของเราบวชพิสุเพึงบอกเนื้อความนั้นแก่เขาทั้งหลายแล้วพึงกล่าวว่าฉันให้เขาบวชก็เพื่อจะป้องกันไว้ท่านทั้งหลายจงสอบสวนบุตรดูเถิดอันหนึ่งสมควรแท้ที่จะบวชให้คนซึ่งคิดว่าเราจะ ก, กระโดดลงจากต้นไม้แล้วขึ้นไปไประมือและเท้าเสียก็บวชเพื่อจระรักษาเขาก็ไม่เป็นอบัต บวชคนเดียวไปต่างประเทศแล้วขอบวชถ้าเขาลาแล้วจึงไปพึงให้บวชได้ถ้าไม่ได้ลาพึงส่งพิกษุหนุ่มไปให้บอกลาแล้วจึงให้บวชถ้าต่างประเทศนั้นเป็นที่ไกล ย, ยิ่งนนะักแม้จะให้บวชแล้วส่งไปแสดงพร้อมกับพิกจุต ท, ทั้งหลายก็ควรแต่ในอัตกถาชื่อกุรุนทีแก้ว่าถ้าต่างประเทศเป็นสถานไกลด้วยทางกันดานมากด้วย จะให้บวช ด, ด้วยปูกใจว่าเราจับไปบอกเล่าทางนี้ก็ควรอันนี้ก็บวดก่อนไม่เป็นไรบอกที่หลังบอกลาที่หลังก็ว่าผลทางมันไกลมากแต่ปัจจุบันนี้ก็สบายนะปัจจุบันนี้ก็จะไปไหนไปอเมริกาไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็โทรศัพทมาบอกพ่อแม่มาลาพ่อแม่อันนี้ก็ได้เลยนะแต่ถ้ามานาบิดามีบุตรมากและข่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้า บรรดาเด็กเหล่านี้ท่านปรารถนาจะให้คนใดบวชพึงให้คนนั้นบวชเถิดทิสุพึงตรวจดูเด็กทั้งหลายแล้วปรารถนาคนใดพึงให้คนนั้นบวชถ้าแม้สกุลหรือบ้านทั้งสิ้นอนุญาตเลยว่าท่านเจ้าข้าในสกุลหรือในบ้านนี้ท่านปรารถนาจะให้ผู้ใดบวชพึงให้ผู้นั้นบวชทิสุ ป, ปรารถนาผู้ใดพึงให้ผู้นั้นบวชได้ สมัยก่อนมีศรัทธาทางพระพุทธ ศ, ศาสนารุ่งเรืองโดยเฉพาะในหลังการผู้คนนับถือพระพุทธศาสนากันมากมายเพราะฉะนั้นก็ภาวนาไว้เลยว่าจะให้บวชกุลบุตรใ ด, ดก็ให้บวชเถอะบวชได้ทั้งนั้นแม้ภิกษุพูดจะให้กุลบุตรที่เว้นจากบรรพชาโทษซึ่งมารดาบีดาอนุญาตแล้วด้วยประการดังว่ามานั้นให้บวชถ้ายังไม่โปรงผมพิกษุแม้เหล่าอื่นที่อยู่ในสีมาเดียวกันมีอยู่ พึงบอกพันธุ ก, กรรมพันธุ ก, กรรมก็คือการตรงผมการควนผมนั่นเองเพื่อประโยชน์จากการตรงผมในเรื่องนี้มีวิธีการบอกดังต่อไปนี้พึงนิมนต์พิจุดทั้งหลายผู้นับเนื่องในสีมาให้ประชุมกันแล้วนำบนรรพชาเปกขะก็คือผู้ที่มุ่งบรรพชามุ่งที่จะบวชนั้นไปในสีมานั้นแล้วบอกสามครั้งหรือสองครั้งหรือครั้งเดียวว่า ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าบอกพันธุกรรมของเด็กนี้กะสงอันหนึง่งในอธิการว่าด้วยการตรงผมนี้จะบอกว่าข้าพเจ้าบอกพันธุกรรมของเด็กนี้ดังนี้ก็ดีว่าข้าพเจ้าบอกสมณะกรของทารกนี้ดังนี้ก็ดีสมณะกรก็คือการกระทําให้เป็นสมณะหรือว่าบอกว่าทารกนี้อยากเป็นสมณะดังนี้ก็ดี ว่าทารกนี้อยากบวชทางนี้ก็ดีควรทั้งนั้นถ้าสถานแห่งพิกษุผู้เป็นสหายกันมีอยู่คือโอกาสเป็นที่กำหนดปรงกฏว่าพิษุสิบรูปยี่สิบรูปหรือสามสิบรูปอยู่จะไปตู่โอกาสที่พิกจุเหล่านั้นยืนแล้วหรือโอกาสที่นั่งแล้วบอกเล่าโดยในก่อนนั่นเองก็ได้แม้จะวานพวกพิกษุหนุ่มหรือเหล่าสามเณร แต่เว้นบนรรพชาเปกคะเสียก็คือเว้นคนที่จะมาบวชให้บอกโดยนายเป็นต้นว่าท่านเจ้าข้ามีบรรพชาเปกคะอยู่คนหนึ่งพวกผมบอกพันธุ ก, กรรมของเขาดังนี้ก็ควรถ้าพิกูุบางพวกเข้าไปยังเสนาชนะหรือผู้ไม้เป็นต้นหลับอยู่ก็ดีทำสมณธรรมอยู่ก็ดีฝ่ายพิจษุสมณเณรผู้บอกเล่าแม้ที่ยวตามหาก็ไม่พบจึงเป็นผู้สาคัญว่า เราบอกหมดทุกรูปแล้วขึ้นชื่อว่าบรรพชาเป็นกรรมเบาคือการบวชเนเนี่ยเป็นกรรมเบาเพราะเหตุนั้นบรรพชาเปรขา น, นบวชแล้วเป็นอันบวช ด, ด้วยดีแท้ไม่เป็นอาบัตแม้แก่อุปชาผู้ให้บวชอันนี้ก็ควรจะต้องบอกพันธุกรรมก็คือบอกกล่าวการที่จะให้บวชเป็นสามเณรก่อนเพราะว่าต้นเหตุนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งมาบวชแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวกันพ่อแม่ของเขาก็มาติเตียน คนอื่นก็ไม่รู้ด้วยนะมาถามพระพิจุคนอื่นก็ไม่รู้ว่ามีใครบวชหรือไม่บวชเพราะฉะนั้นก็บอกกล่างกับพระที่สุดทั้งหลายก็มีใครมาถามก็จะได้บอกเขาได้ถูกว่ามีเด็กมาบวชแต่ถ้าวัดที่อยู่ใหญ่เป็นที่อยู่ของพิกจุหลายพันถึงจะนิมนต์พิจุทั้งหมดให้ประชุมก็ทําได้ยากไม่จําต้องกล่าวถึงบอกเล่าตามลําดับนารงอยู่ในขันท่สีมาหรือไปถูแม่น้ําหรือทะเลเป็นต้นแล้วจึงให้บวช มาอยู่ในคันศรีมาและบวชก็ได้จะไม่มีปัญหาหรืว่าไปสู่แม่น้ําก็ได้เป็นนาทีศีมาเป็นสีมาที่อยู่ในน้ําหรือทะเลก็ได้ให้บวชสำเน็จก็ควรจะบวชในสีมาจะเป็นพัสสีมาหรือว่าอาพัสสิมาได้ฝ่ายผู้ใดเป็นคนโคนผมใหม่หรือศึกออกไปหรือเป็นคนใดคนหนึ่งในพวกนักบวชมีนิโครเป็นต้นมีผมเพียงสองอ ง, องค์คู่ี หรือย่อน่าสององคุลีกิจที่จะต้องตรงผมของผู้นั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นแม้จะไม่บอกพันธุกรรมให้บุคคลเช่นนั้นบวชก็ควรถ้าเกิดไม่มีผมหรือว่ารงผมใหม่หรือว่าศึกมาใหม่อันนี้ก็ไม่ต้องบอกพันธุกรรมและวบวชได้เลยฝ่ายผู้ใดมีผมยาวเกินสององคุลีคือสองนิ้วโดยที่สุดแม้ไว้ผมเพียงหย่ำเดียว ผู้นาน้นภิกษุต้องบอกพันธุกรรมก่อนจึงให้บวชได้ภิกษุผู้บอกพันธุกรรมอย่างนี้แล้วเมื่อจะให้บวชพึงให้คนบวชผู้มีบาศและจีวรบริบูรณ์แล้วถ้าของเธอไม่มีจะให้บวชคนบตรที่มีบาศและจีวรแม้ขอยืมคนอื่นมาก็ควรถ้าบวชเนนี้ยืมบาศจีวรคนอื่นได้แต่ถ้าบวชพระนี่ไม่ได้ หรือจะให้กดบุตรที่ถือเอาด้วยวิสาสะในที่แห่งบุคคลที่เป็นสหายกันบวชครคบครให้วิสาสะเอาบาจีวนคนอื่นมาก่อนก็ได้แต่ถ้าปันรูปรลาภนั้นก็คือผู้ที่มุ่งจะบวชนั้นหรือว่าเรียกว่านาคนั่นแหละเป็นผู้ถือบา ท, ที่ยังมีได้ระบมและผ้าที่ควรแก่ชีวรมาบาอยังระบมอยู่และจีวรยังกระทำอยู่เพียงใดควรจะให้อนามทมฐาินทบาทแกเขา ผู้พักอยู่ในวิหารเพียงนั้นอนามัตตาบินาบาอะหมายถึงบินดาบะ ท, ที่ยังไม่ได้ไปสัมผัสแตะต้องหรือว่าบิณฑบาบ ท, ที่เลิศยังไม่ได้ให้แกบคนอื่นก่อนจะให้แก่ปันรูป ร, ราชนั้นก็ได้ปันรูป ร, ราชนั้นจะบริโภคในภาชนะก็ควรก็คือจะเอาบาหรือว่าภาชนะของพระพิสุไปชันก็ได้เพราะว่าใกล้จะเป็นบนรรพชิตด้วยกันแล้วแต่ว่าสําหรับเครื่องหัดนี้บริโภคในภาชนะของพระพิสุนี้ไม่ได้ ในเวลาก่อนฉันอาหารพิกตูกผู้เป็นพัตตุเทศสมควรจะให้ส่วนแห่งอามิ t h เท่ากับส่วนของสามเณรส่วนการถือเสนาสนะและพัตต่างๆมีศาสนาพัตอุเทส พ, พัตและนิมนตนะพัตเป็นต้นไม่สมควรให้ยังไม่ควรเพราะายังไม่ได้เป็นบรรพชิตเป็นเพียงแต่ว่าว่าที่คือกําลังจะ บ, บวชเท่านั้นแม้ในเวลาภายหลังอาหาร ส่วนแห่งเทศมีน้ำมันข้าวสารน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นอันที่สุดผู้เป็นพัดตุเทศคือผู้ที่แจกพัด ส, สมควรจะให้เท่ากับส่วนของสามเณรถ้าเขาเป็นไข่ที่สุดทั้งหลายควรจะทำยาให้เขาได้ไม่เป็นเวชกรรมและควรทำการปฏริบัติทั้งปวงแก่เขาเหมือนทำแก่สามเณรชนิแลส่วนที่สุดจะให้อุปสัมปทาเปกะคือผู้ที่มุ่งจะบวชเป็นพระ อุปสมบทด้วยบานและจีวรที่ยืมเขามาย่อมไม่ควรอันนี้ก็ใช้ศัพท์ต่างกันถ้าเป็นผู้จะบวชเ น, นก็เรียกว่าบรรพชาเปกขะก็เรียกว่าบรรพชาเปกขะผู้มุ่งบรรพชาแต่ว่าผู้ที่จะบวชเป็นพระนี่เรียกว่าอุปสมบทาเปกขะใช้ศัพท์ต่างกันก็ให้รู้ว่าการบวชพระกับบวชเนรนั้นถ้าบรรพชาเป็นการบวชเนรถ้าอุปสมบทเป็นการบวชพระ ผู้ที่จะบรรพชาเรียกว่าบรรพชาเปรคาผู้ที่จะอุปสมบทเรียกว่าอุปสมบท า, าเประาเพราะฉะนั้นถ้าจะบวชในนี้ยืมบาชีวรเข้ามาได้แต่ถ้าจะบวชพระนี้ยืมบาชีวรนเข้ามาไม่ควรดังมีพระบาลีกล่าวไว้ว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายที่สุไม่พิงให้อุปสมบทกุลบุตรด้วยบาและชีวรที่ยืมเขามารูปใดให้อุปสมบทรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎ ถ้าไม่มีบาตรจีวรแล้วก็ไปยืมเข้ามาผู้ที่รู้แล้วก็ให้บวชก็บัติทุกกฎเพราะฉะนั้นกุลบุตรที่มีบาตรและจีวรครบเท่านั้นจึงควรให้อุปสมบทถ้าของเขาไม่มีและอาจารย์อุปชาอยากจะให้เขาหรือพิสูจน์เหล่าอื่นปรารถนาจะให้หรือพิกษจน์เหล่าอื่นผู้ไม่เสียดายพึงสละให้บาตรและจีวรที่ควรอธิษฐานได้ก็พิสูจผู้ให้อุปสมบทกุลบุตร ด้วยบาตรและจีวรที่ยืมเขามาเป็นอาบัตแต่กรรมไม่กําเริกก็หมายถึงว่าเป็นพระพิตุแม้ว่าไม่มีบาตรไม่มีจีวรถ้าบวชเข้าไปแล้วก็เป็นพระพิตุแต่ผู้ที่ให้บวชก็เป็นอาบัตแต่พระพิตุอื่นสละให้แล้วรือว่าอุปชาอาจารหามาให้อันนี้ก็ไม่เป็นไรแม้พิตุเมื่อจะให้กุะบุตรผู้มีบาตรและจีวรบริบูรณ์แล้วบวชถ้ามีโอกาสควรบวชให้เอง ถ้าอุปชามีความขวนขวายด้วยอุเทนและปริกุชฉาเป็นต้นอยู่ย่อมไม่ได้โอกาสคือไม่มีเวลาว่างพึงวานบอกพิกูตหนุ่มรูปหนึ่งว่าเธอจงบวชให้คนระบรนี้ก็คือให้บวชเป็นสามเณรก่อนถ้าพิกูตหนุ่มซึ่งอุปชาไม่ได้สั่งเลยแต่เธอบวชให้แทนอุปชาการทําอย่างนั้นสมควรก็คือบวชเป็นเนรนี้ไม่มีปัญหาถ้าพิจูตหนุ่มไม่มี อุปชาพึงบอกสำเนนก็ได้ว่าเธอจงนำผู้นี้ไปยังขันทสีมาให้ปล o งผมให้นู่ผ้ากาสาญะเสร็จแล้วจึงมาส่วนอุปชาพึงให้สารณะเองอันนี้จะบอกสำเนนไปให้ไปปล o n ผมมาก็ได้ให้ผ้ากาสาญญให้ก็ได้กุลบุตรนั้นเป็นอันพิจุนั่นเองให้บวชแล้วด้วยประการฉนี้จึงอยู่คนอื่นนอกจากพิจุบวชให้บุุษไปได ก็คือพิจุเท่านั้นที่จะบวชเนนให้กับบุรุษคนอื่นนอกจากพิกจุนีไม่ได้เพื่อให้มาดุขามบวชส่วนสามเนรหรือสามเนรีได้เพื่อจะให้ผ้ากาสายะตามคําสั่งก็คือต้องอุปชาอาจารย์หรือพระจุนั้นสั่งด้วยว่าให้ไปโปรงผมตัวเอาผ้ากาสายะไปให้การปรงผมผู้ใดผู้หนึ่งทําแล้วก็เป็นอันทําแล้วด้วยดีคือใครก็จะโปรงผมได้ทั้งนั้นแหละ าสรุปว่าอุปชาหรือว่าประวัตินีประวัตินีก็หมายถึงอุปชาของภิกเุณีเนี่ยนะอุปชาหรือว่าประวัตินีเท่านั้นพึงให้อุปสมบทเป็นพิกตุหรือว่าภิกตุนีได้พิกตุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งพึงให้บรรดาชาบุรุษหรือสตรีเป็นสำเนนหรือว่าสำเนรีก็ได้ถ้าเป็นการบวชเนรพิกตุรูปใดรูปหนึ่งได้เท่านั้นแต่ถ้าจะบวชพระต้องพิกตุมีพรรษาสิบพิกษุณีมีพรรษาสิบสอง ขึ้นไปนะจึงจะไปบวชที่โสทิสุณีได้ส่วนสามเณรหรือสำเนรีนั้นสามารถที่จะให้ผ้าแก่บุรุษหรือว่าสตรีให้นุ่งห่มผ้าตามสายะตามคําสั่งของอุปัชาแต่ว่าการโปร่งผมนั้นผู้ใดผู้หนึ่งทําแล้วก็เป็นอันทําแล้วด้วยดีแต่โดยปกติก็ที่สุควรบอกพันธุ ก, กรรมก่อนก็ถ้าว่ากุลบุตรเป็นผู้มีรูปสมควรมีกุศลกรรมเป็นเหตุ มีชื่อเสียงมียศอุปชาแม้มีโอกาสแล้วก็ควรให้บวชเองแท้หมาถึงว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ที่มีกุศลกรรมที่ทําไว้ดีแล้วอุปชาควรทีให้บวชเองเพราะว่าเขาอาจจะน้อยใจนะ ว, ว่าเขาเป็นถึงขนาดนี้แล้วเกิดในตระกูลสูงแล้วก็อุปชาก็ยังให้คนอื่นมาบวชให้ก็จะเกิดความไม่สนิทชิดเชื้อกัน ทั้งไม่ควรปล่อยไปว่าจงถือเอาดินเหนียวกา ม, มือหนึ่งอาบแล้วชุบผมมาไม่ควรที่จะให้เขาจัดการเองนะเพราะว่าอุสาหะ ข, ของผู้ที่ใครจะบวชเป็นของรุนแรงก่อนคือคนอยากจะบวชนี่ก็มีค่ามกระตือรือร้อนมากแต่ภายหลังได้เห็นผ้ากาสายะและมีดโกนผมเข้าจะตกใจจะหนีไปเสียจากที่นั่นก็ได้เปลี่ยนใจได้ไม่แน่นอน เพราะเหตุนั้นอุปชาเองนั่นแหลควรนำไปยังท่าสำหรับอาบถ้ากุลบุตรนั้นไม่เป็นเด็กนักก็คือโตแล้วพอที่จะทำอะไรได้เพิ่งบอกว่าจงอาบเสียส่วนผมของเขาพึงถือเอาดินเหนียวสระให้เองทีเดียวปัจจุบันนี้ก็ใช้แชมพูต่างๆไม่ก่อนใช้ดินเหนียวก็อหัวฝ่ายกุลบุตรที่ยังเป็นเด็กน้อยอุปชาพึงลงน้า ขัดสีด้วยโคไมและดินเหนียวอาให้เองสมัยฟังว่าใช้ดินเหนียวโคไมเป็นเครื่องชำระลร้างแต่ปัจจุบันนี้ก็มีสบู่เครื่องทำความสะอาดมากมายถ้าว่าเขาเป็นหิดด้านหรือว่าฝีอยู่บ้างมารดาไม่เกลียดบุตรฉันใดอุปัชาไม่พึงเกลียดฉันนั้นนั่นแหละพึงอาบให้ขัดสีตั้งแต่มือและเทา้าจนถึงศีรษะเป็นอันดีถามว่าเพื่อเหตุไร ตอบว่าเพราะว่าด้วยอุปกา ร, ระเพียงเท่านี้กุลบุตรทั้งหลายจะเป็นผู้มีความรักแรงกล้ามีความเคารพอย่างยิ่งในอาจารย์และอุปชาในพระาศาสนาจะเป็นผู้ไม่หวนกลับเป็นธรรมดาจะบรรเทาความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเสียอยู่ไปจนเป็นพระเถระจะเป็นผู้กะตันยูกตักะตะเวทีอันนี้ก็อั น, นิิสงของการที่อุปชาชาจารย์ไปจัดการดูแลเป็น ผู้ที่ช่วยเหลือเป็นเวยาวจจ์ช่วยเหลือในการกนิยธรรมต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้พระพิตุนั้นมีความสนิทสนมชิดเชือ้อแล้วก็มีความเคารพแรงกล้าในอุปชาอาจารย์เพราะฉะนั้นอุปชาอาจารย์ก็ควรที่จะมีการกระทําต่อสัตธิุญหาฤกษ์อันเทวสิกบ้างก็จะเกิดความสนิทสนมแล้วก็รับในพระศาสนาจะได้ประพฤติปฏิบัติตามคันลองของไตรสุดขาในพระศาสนาจนกทั่งเป็นพระเถระแล้วก็ เป็นผู้กตัญญูกตเวทีด้วยก็คือเป็นผู้รู้ในสิ่งที่ผุคคลอื่นทํามาแล้วทํามาก่อนก็นจะเป็นผู้ที่ตอบแทนคุณวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนาต่อพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อบรมใจสิตขาเป็นการตอบแทนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจดยท่านได้บรรลุอริยสัจธรรมซึ่งเป็น ความหวังความปรารถนาของพระพุทธเจ้าให้สรสรพสัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์โดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ